ีเรียกเื่องสิทธิคิดล้างครู <S 2> <S 2> <S ในอดีตมีครูดาบคนหนึ่งตั้งสำนักสอนเพลงดาบ โดยครูผู้นี้มีฝีมือในเพลงดาบอย่างยอดเยี่ยมหาจะมีผู้เสมอเหมือนจึงมีผู้สมัครเป็นสิทธิ์เล่าเรียนวิชาด้วยจำนวนมากเมื่อเปิดสอนเพลงดาบเป็นเวลานานปีก็ยิ่งมีสิทธิ์เพิ่มขึ้นโดยลำดับผู้ที่เรียนสำเร็จจนมีฝีมือพอใจแล้วก็ลาออกจากสํานักไปผู้ที่ต้องการเรียน ก็เข้ามาเป็นสิทธิ์อีกรุ่นแล้วรุ่นเล่าจนเวลาล่วงเลยไปช้านานครูก็แก่ตัวลงเพราะอายุสูงขึ้นแต่ว่ายิ่งแก่ก็ยิ่งมีความสุขเพราะมีสิทธิ์มากมายสิทธิ์ที่รู้คุณทั้งหลายต่างไม่ทอดทิ้งครูตนโดยต่างมีน้ำใจช่วยกันสนองคุณครูด้วยการส่งเงินทองเสื้อผ้า ข้าวปลาอาหารตลอดจนสิ่งของต่างๆให้ครูได้มีใช้สอยโดยไม่ขาดแคลนครูผู้นี้จึงเป็นอยู่อย่างสะดวกและมีความผาสุกเพราะสมบูรณ์ด้วยสมบัติโดยควรแก่อัตภาพต่อมามีชายคนหนึ่งได้มามอบตัวสมัครเป็นสิทธิขอเรียนวิชากับครูท่านนี้ด้วยเมื่อครูรับสิทธิแล้ว เขาได้ตั้งใจเรียนและฝึกซ้อมด้วยความเอาใจใส่ขยันและยังรับใช้ใกล้ชิดช่วยปรนิบัติครูจนครูมีความเมตตาต่อเขาอย่างมากจึงถ่ายทอดวิชาที่มีให้แก่สิทธิผู้นี้โดยไม่ปิดบงังรู้อย่างไรมีฝีมืออย่างใดก็สอนและฝึกฝนให้ได้รู้ได้มีฝีมือเหมือนกับครูทุกประการ จนสิทธ์คนนี้มีความสามารถเก่งกาจที่คนทั้งหลายต่างยกย่องเรื่องลือว่ามีความรู้และความสามารถเทียบเท่ากับครูไม่ยิ่งย่อนกว่ากันเลยสิทธ์ของครูคนนี้แม้จะเจริญด้วยความรู้และมีความสามารถในวิชาเพลงดาบอย่างดีเลิศแล้วก็ตามแต่เป็นคนมีใจชั่วร้าย เขามองข้าวของสมบัติของครูด้วยความอิจฉาที่ครูสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ทั้งปวงและยังมีผู้คนทั้งหลายยกย่องสรรเสริญครูนั้นสแสลงหูและเสียดแทงหัวใจเขามากเพราะเขาคิดว่าหากไม่มีครูผู้นี้แล้วเขาย่อมสามารถตั้งตัวเป็นครูสอนเพลงดาบแทนได้ด้วยได้รับถ่ายทอดความรู้และความชำนาญ จนมีความฉลาดและเชี่ยวชาญไม่แพ้ครูถ้าครูยังมีชีวิตยอยู่เขาย่อมต้องรอเสียเวลาที่จะเริ่มตั้งตัวให้มีฐานะร่ำรวยได้รวดเร็วฉะนั้นเขาจึงคิดที่จะจัดการกำจัดครูของเขาโดยพยายามคิดหาวิธีที่เหมาะสมอยู่จนวันหนึ่งครูมีธุระต้องเดินทางไป ณสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งห่างไกลาจากสำนักจึงชวนสิทธิผู้คิดปองร้ายไปเป็นเพื่อนร่วมเดินทางด้วยโดยไปกันเพียงสองคนเขาตีใจมากเพราะอาจมีโอกาสได้กำจัดครูในครั้งนี้แต่ก็ระงับใจไว้ไม่แสดงอาการที่ผิดปกติให้ปรากฏเมื่อเดินทางกันไปจนพ้นหมู่บ้านคน ข้าบริเวณป่าละมาะระหว่างทางเป็นที่เปลี่ยวชายผู้เป็นสิทธ์ชั่วได้ถามครูว่าข้าแต่ครูมีวิชาเพลงดาบใดบ้างที่ครูยังไม่ได้สอนข้าพระเจ้าครูตอบตามตรงว่าไม่มีแล้วขึ้นจือว่าเพลงดาบที่ข้าศึกษาและฝึกฝนมามีอยู่เท่าไร ข้าได้ถ่ายทอดสอนเจ้าจนหมดสิ้นไม่มีเหลือเมื่อต่อไปแล้วครวูมีความสงสัยในคำถามของสิทธ์จึงถามสิทธ์บ้างว่าเจ้าถามเรื่องนี้โดยความประสงค์อันใดสิทธ์ทรยศฟังครูตอบด้วยความดีใจรีบชักดาบที่สภายอยู่ออกมาถือกระชับมือมั่น ครูว่าดีแล้วตาเท่าเมื่อสอนวิชาแกะข่าหมดทุกอย่างแล้วก็สมควรตายได้อย่าอยู่ให้เป็นเครื่องขวางความเจริญของขันเลยพูดจบขยับตัวรำดาบเข้าหาครูครูดาบไม่มีอาวุธติดตัวมาด้วยเลยมีแต่ร่มกระดาษไม้ไผ่เล็กๆที่ถือกลางแดดมาคันเดียวได้บอกมือห้ามสิทธิ์เนรคุณ และซักเพื่อทราบความต่อไปว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเมื่อเจ้าจะทำร้ายค่ะก็คงไม่อยากอะไรรอกเพราะเจ้ายัางหนุ่มอยู่แต่ข่าแกแล้วเจ้ามีอาวุธคือดาบสวรรค่ามีเพียงร่มกระดาษคันเดียวจะสู้เจ้าได้อย่างไรแต่ข่าอยากรู้ว่า ขาทำอะไรที่ผิดพลาดล่วงเกินจนเจ้าแค้นเคืองอย่างมากเหรอเจ้าจึงอาฆาตและต้องการข่าข้าช่วยบอกให้ข้ารู้ตัวก่อนเถิดเปล่าแต่เถ้าแก่ไม่ได้ทำอะไรล่วงเกินในข้าตรงแค้นเคืองสิทั่วตอบถ้าอย่างนั้นเจ้าจะฆ่าข้าทำไมครูถามต่อไป สิทเลวสามผู้นั้นจึงชี้แจงว่าเวลานี้ข้ามีความรู้ทัดเทียมแกแล้วหากแกยังมีชีวิตอยู่ขาก็ไม่มีโอกาสทำหน้าที่เป็นครูและยังมีผู้ที่เก่งเสมอกันเหลืออยู่แต่ถ้าแกตายก็จะมีคนเก่งเฉพาะข้าเพียงคนเดียวซึ่งไม่มีใครเทียมเท่าข้าจึงคิดมานานแล้วที่จะข่าแกและเพิ่งได้โอกาสวันนี้เอง พูดจบสิทธิถอยผู้นั้นใช้ดาบของตนและฟันครูตนเป็นพันละวันครูได้ฟังรู้เรื่องตลอดหมดความเมตตาต่อสิทธิชั่วคิดว่าเป็นกรรมของสัตว์บุญเขาหมดเพียงเท่านี้เบี่ยงกายหลีกหลบคมดาบแล้วใช้น้ำเย็นล่อโดยหลอกถามสิทธิที่หวังร้ายต่อตนว่าข้าสงสัย ดาบของเจ้าดูท่าจะไม่คมพอที่จะลิ้มเลือดในร่างกากระมังไม่ต้องสงสัยอย่างไรเสียแกต้องตายแน่วันนี้ดาบของข้ารับไว้คมกริบแล้วสิบโง่ตกหลุมพรางครูจึงพูดต่อว่าเอาเอถิดถ้าเจ้าว่าดาบของเจ้าคมลองฟันร่มข้าดูสิว่า คันร่มจะหักไหมพูดจบครูยกร่มที่หุบแล้วส่งยื่นล่อสิทธสามผู้นั้นฉล่าใจยกดาบฟันฉับลงมาบนร่มซึ่งครูหลอกให้ฟันลงตรงท่อนปลายพอเขาฟันลงครูก็ตวัดร่มรับให้คมดาบตัดปลายร่มขาดพอดีกับไม้ไผ่คันร่มที่ถือไว้กลายเป็นปากฉลามที่เรียวแหลมแล้ว ได้ใช้ความรวดเร็วทิ่มปลายไม้ที่แหลมคมนั้นพุ่งสวนเข้าสู่ลำคอของสิทธทรยศอย่างแรงสุดกำลังโดยเขาไม่อาจป้องกันตัวได้ทันและไม่เคยเรียนวิธีแก้เรื่องนี้มาก่อนเลยซัมเมอร์ครูทิ่มปลายไม้อันเป็นคันร่มนั้นเข้าลำคอเขาจนเป็นแผลลึกทะลุแล้วยังทิ้งคาคันร่มที่แทงให้ติดคอเขาอีก ได้รับความเจ็บปวดรวดร้าวอย่างสุดแสนสิ้นกำลังไม่อาจทรงตัวยืนอยู่ได้ล้มลงแทบเท้าของครูดาบหลุดจากมือแต่ก่อนจะขาดใจตายเขายังมองดูหน้าของครูเห็นครูยิ้มกับเขาและแววได้ยินครูพูดกับเขาเป็นครั้งสุดท้ายว่าวิชานี้เรียกว่า วิชาไม้เล็กู่ดาบขาลืมไปไม่ได้สอนเจา้าเจ้าจึงยังไม่ได้เรียนขาดอยู่เพียงวิชานี้วิชาเดียวแท้ๆนอกนั้นขาสอนเจ้าจนหมดสินไม่มีเหลือ